มีร้านอาหารร้านหนึ่งนะแถวอำเภอพัสมุิเจดีสมุดปราการร้านนี้ขายอาหารไม่แพงนะข้าวเปล่าจานถ้วยนะถ้วยละ10บาทแต่ว่าเติมได้ไม่อั้นนะวันนึงก็มีผู้ชายอายุคงประมาณสัก น, นิดหน่อยนะหรือ 30-40 ี่นะีนะตัวใหญ่เข้ามาในร้าน แล้วก็พูดกับแม่ค้าซึ่งคงเป็นเจ้าของร้านนะ่ะนะว่าขอซื้อข้าวเปล่าถ้วย่นึงครับแล้วก็ควักเงินมาแล้วคงนับนะนับเงินก็เป็นคงเป็นเหรียญหมดแล้วแล้วก็ยื่นให้แม่ค้าก็ถามว่าไม่รับกับค่าด้วยหรือคะถนะ้วยละ1 0บาทแต่กว่านั้นนิ่งสักพักก็บอกว่าไม่เป็นไรครับ แล้วก็ไปหยิบนะ้ถ้วยข้าวซึ่งเขาเตรียมไว้แล้วเดินไปที่โตะ๊ะแม่ข้าก็เฝ้าดูนะว่าทำไมรับแต่ข้าวเปล่าก็เห็นเขาไปตักน้ำพริกนะมาลาดในถ้วยข้าวคือดูแล้วเนี่ย แม่ค้าก็ดาว่าเนี่ยสงสัยก็คงไม่มีเงินนะแต่ไงก็ไปถามก่อนนะว่าไม่รับข้าวไม่รับกลับข้าวด้วยเหรอนะถ้วยละสิบบาทเช้าวันั้นก็ปฏิเสธนะแล้วก็ดูสีหน้าก็เศร้าๆแม่ค้าเห็นเนี่ยก็แน่ใจว่าชาวนี้ ไม่มีเงินแล้วก็เลยห <c> ย <oughs> ิบถ้วยกับข้าวเนี่ยถ้วยละสิบบาทเนี่ยสองถ้วยไปให้ชายคนนั้นโมชายคนนั้นพอเห็นนี่ก็เด็กก็ร้องไห้เลยนะแม่ค้าก็เลยเอาน้ําเนี่ย น, น้ําเปล่าเนี่ยขวดหนึ่งมาแถมให้ชายนั้นก็คงจะ กินข้าวไปหลายถ้วยนะเพราะว่าข้าวมันเติมได้ไม่อัน้นพอกินเสร็จทั้งข้าวและกับข้าวเนี่ยชายคนนั้นก็เดินมาหาแม่ค้าเจ้าของร้านพร้อมกับถ้วยข้าวแล้วถ้วยกับข้าวที่ว่างเปล่าเอาถ้วยมาคืนมอไปกับมือแล้วก็ขอบคุณยิ่งกั่นั้นคือคุกเข่านะคุกเข่าแล้วก็พนมมือไหว้ ขอบคุณแม่ค้านะที่มีน้ำใจแม่ค้าก็ตะลึงนะถ้าไม่ถึงว่าเนี่ยชาคนนี้นี่จะถึงกับคุกเข่านะแล้วเขาก็ร้องไห้เลยนะร้องไห้ร้องไห้นี่ก็เทีนี้ผงจะร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจตื้นตันใจในอะไรในความกรุณานะของแม่ค้าแม่ค้าเจอแบบนี้เขาก็เลย เรียกว่าร้องไห้เหมือนกันนะแล้วแม่ค้าก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยรู้สึกปลาบปลื้มใจมากนะที่เราได้ช่วยเขาเป็นความปราบปลื้มที่เรียกว่าถึงกับตื่นตันใจเลยเพราะไม่คิดว่านะสิ่งที่เราช่วยเขาเนี่ยมันจะมีความหมายนะต่อชายคนนี้มากเธอบอกว่าเนี่ย นิดหนึ่งของเราเนี่ยนะมันอาจจะหมายถึงการต่อชีวิตของเขาไปได้อีกหนึ่งวันก็ได้เพราะนั้นเนี่ยแม่ค้าก็เลยบอกเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยแม้ จ, จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะมีความหมายต่อชีวิตของอีกคนนึงก็ได้แม่ค้าก็เลยพูดทำนองว่าให้พวกเราช่วยกันมีเมตตากรุณานะต่อคนที่ทุกข์ยาก ในสิ่งที่แม่ค้าพูดนี้มันจริงเลยนะนึกหนึ่งของเรานี่มันอาจจะต่อชีวิตของเขาไปได้อีกหนึ่งวันซึ่งเราไม่มีทางรู้หรอกนะจนกว่าเราจะได้ยื่นมือไปช่วยเขาบางทีบ่อยครั้งเนี่ยเราก็จะเจอนะคนที่เขามาหาเราเป็นคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จัก แล้วเขามาขอความช่วยเหลือจากเราเช่นจะมาขอเงินอย่างคนที่กินอาหารตามร้านหรืออยู่ตามท้องถนนก็จะมีคนนะแต่งตัวมอซอมาขอเงินเพราะว่าไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านพ่อป่วยลูกป่วยหรือแม่ป่วยไงใมาเจอแบบนี้เนี่ยเราคงตัดสินใจว่าจะให้ดีหรือเปล่า พอเราก็รู้ว่ามีพวกมีคนบางคนที่เขาเป็นมิจฉาชีพนะมาของเงินโดยอ้างนะเหตุผลต่างๆที่ชวนให้เราเห็นใจแล้วพอเราให้เงินเข้าไปเขาก็เอาไปกินเหล้านะอันนี้คือสิ่งที่เราเคยเห็นหรือเคยได้ยินนั้นพอเราเจอกับตัวเขานี้เราจะทำอย่างไรนะถ้าเราลองคิดสหน่อยว่าเออ ถ้าเกิดว่าเขามาหลอกเราเราก็เสียเงินแค่10บาท20บาทหรือ50บาทนะเล็กน้อยมากแต่ถ้าเกิดเขาเดือดร้อนจริงนะให้เงิน10บาท20บาทหรือ50บาทที่เราให้ไปเนี่ยมันมีความหมายต่อชีวยคามากเลยนะมันอาจจะหมายถึงการที่เขาได้นะกลับไปเห็นหน้าพ่อแม่ดูใจเขาก่อนตายหรือว่าได้ไปช่วยเหลือ หรืออจะหมายถึงอาหารที่ต่อช่วยเขานะไปได้อีกหนึ่งวันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวอาจจะรวไมไปถึงลูก น, น้อยๆของเขาด้วยคือถ้าคิดแบบนี้มันก็คุ้มนะคุ้มกับการเสี่ยงนะคู่กับการเสียเส่ยงเสี่ยงน่ที่ว่าอาจจะถูกหลอกก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้หลอกเราเขาเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยไอ้นิดหนึ่งของเราไอ้การช่วยของเราเนี่ยมันแค่นิดเดียว ไม่ได้มากอะไรเลยแต่ว่ามันมีความหมายต่อชีวิตของเขามากหรืออจจุลมหนึ่งคนอื่นด้วยที่จริงแม่จะไม่มีความสงสัยคลังแคลงใจว่าเขามาหลอกเราหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเขาเดือดร้อนนี่มันก็น่าช่วยนะเพราะว่ามันสามารถจะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขให้กับเราได้อย่างแม่ค้าคนนี้นะโอแก พูดไปแกก็ร้องไห้ไปนะทั้งที่เหตุการณ์ก็ผ่านไปเป็นวันหรือหลายวันแล้วเพราะว่าแกตื่นตันใจนะตื่นตันใจที่ว่าสิ่งที่แม่ค้าทำเนี่ยนะมันสามารถจะต่อชีวิตของผู้ชายคนนี้ได้พู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขย่อมแต่ละความสุขนะและความสุขของแม่ค้าคนนี้เนี่ย มันไม่ได้เกิดจากอะไรเลยไม่ได้เกิดจากการที่ได้ได้โชคได้ลาบนะตรงข้ามโดยซ้านะแต่มันเกิดจากการที่ให้นะไม่ใช่ได้แต่ให้แล้วก็สิ่งที่ให้เนี่ยจริงจิงมันก็ราคา20บาทเองนะกับข้าวสองถ้วยถ้วยละสิบบาทแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยว่ามันคุ้มความสุขที่ได้มานี่มันมีค่ามีราคาเกินกว่า20บบาทเลยนะคนบางคน ใช้เงินเป็นพันเป็นหมื่นหรือเป็นแสนก็ไม่มีความสุขเท่านี้แต่ว่าแม่ค้าคนนี้นี่เพียงแค่ให้นะให้20บาทแก่คนที่ทุกข์ยากเกิดร้อนได้ความตั้งใจสิ่งที่ได้กลับคืนมาคือความสุขนะมันไม่ใช่แค่ความดีใจเป็นความปราบปรื่นใจเป็นความตื่นตันใจนะซึ่งมันมีราคาที่เกินกว่าเงิน ยี่สบาทจะซื้อได้หรือว่าเงินพันเงินหมื่นก็อาจจะซื้อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความสุขใดนะที่ดีกว่าการให้นะความสุขมันมีสองอย่างแต่คนส่วนใหญ่รู้จักอย่างเดียวคือความสุขจากการได้การมีการเอาและคิดแต่จะเอาคิดแต่จะมีให้เยอะๆได้มากๆแต่ลืมไปว่าการให้นี่ก็สามารถจะนำความสุขมาให้กับเราได้นะ ต้องรู้จักนะความสุขชนิดนี้ความสุขที่เกิดจากการให้ความสุขที่เกิดจากค า, ค า, ม, ก า, กคามีเมตตากรุณาสอนลูกสอนหลานให้รู้จักความสุขชนิดนี้บ้างแล้วก็สอนตัวเองด้วยนะสอนตัวเองในการทดลองทําดูนะบางทีมันก็มีข้ออ้างอย่าไปให้คนเลยคนเรากรรมใครกรรมมันมันมีข้ออ้างแบบนี้นะแถมเป็นข้ออ้างเอาคําสอนทางศาสนา เอามาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะให้เรานะเห็นแก่ตัวต่อไปไม่เอื้อเฟืองคนเรามีข้ออ้างแบนอยู่เสมอนะกำใครกำมันหรือว่าข้อจะโกงเราก็ได้เขาจะโกหกหรือเขาจะไปเล่นการพนันกินเหล้าจนหมดตัวไม่มีเงินเหลือแค่สิบบาทก็เลยนะมาพึ่งเรานะการคิดแบบนี้หรือการหายพลแบบนี้ก็ทําให้เราเนี่ยจิตใจแข็งกระด้างนะ แต่ถ้าเราลองคิดว่าเนี่ยขาอาจะเดือดร้อนจริงๆและสิ่งที่เราช่วยเนี่ยมันก็ไม่ได้นิดไม่ได้มากอะไรอย่างที่ผู้หญิงคนนี้ว่าแม่ค้าคนนี้ว่านิดหนึ่งของเรานี่มันอาจจะเป็นการต่อช่วยเขาได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เกิดเมตตากรุณาที่พร้อมจะให้นะและแม้ต่อไปเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราให้ไปมันอาจจะไม่ได้มีผลจริงจังนะแต่ว่าความดีที่เราได้ทำนี่มันก็มากพอที่ทําให้เรามีความสุขได้